หลวงพ่อสอนกรรมฐานมาหลายปีนะพวกเราจํานวนมากเลยที่มีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมา ห, หน้าตาของคนซึ่งมันรู้สึกตัวนะกับคนหลงเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกคนหลงหน้าตาน่าเกลียดคนรู้สึกตัวมันจะผ่องใสหน้าตามันสดชื่นพวกเราภาวนาแล้วส่องกระจกแล้วรู้สึกไหมว่าสวยขึ้นอ๋อแก่ขึ้นนะธรรมดาเรื่องแก่แต่มันดู ดูแล้วมันน่าดูอ่ะดูแล้วมันสดชื่นควรหน้าหงิกหกงอกอกนะใจข้างในมันหงิกน้าําก็หงิกอะใจมันผ่งใสน้ามันก็ใสไปส่องกระจกโอ้หน้าใครเนี่ยสดชื่นดีจังถ้าอย่างนี้ใช้ได้นะาหันไปนางปีศาจอยู่นี่น่า ก, กลัวธรรมะของพระเจ้าเป็นของกลางนะไม่ใช่ของหลวงพ่อไม่ใช่ของใครหรอกท่านให้ไว้ใจท่านกว้างท่านให้ ถ้าใครได้ศึกษาใครได้ปฏิบัตินะปฏิบัติทำได้สมควรแก่ทำแล้วนะก็ได้รับผลประโยชน์นะมีผลนะที่เป็นประโยชน์อย่าเวลาท่านสั่งพระให้ออกไปเผยแพร่ธรรมะนะให้จาริกออกไปประกาศธรรมะนะที่งามในเบื้องต้นงามในทถ้ำกลางงามในที่สุดนะเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั้นธรรมะของท่านมีประโยชน์ถ้าเราได้ศึกษาได้ลงมือปฏิบัติเราได้รับผลประโยชน์อันมหาศาล เราจำลองชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราใฝ่ฝันสแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ความสุขมันมาไม่ถึงเราสักทีนะเราก็หลอกตัวเองห <starch. S 1> <ồ evet. S 2> รือเชื<ๆ>่อเชื่อเอาว่าต้องมีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่มีอย่างนี้ถึงจะมีความสุขความสุขของเรามีเงื่อนไขอยู่ตลอดเวลาต้องรวยถึงจะสุขนะถ้าไม่รวยไม่สุข ต้องแข็งแรงถึงจะมีความสุขถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วสุขไม่ได้ต้องทุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยต้องอยู่กับคนนี้นะถึงจะมีความสุขถ้าอยู่กับคนอื่นไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยลูกเราต้องเกง่งลูกเราต้องฉลาดนะใฝ่ฝันมากเลยอยากให้ลูกฉลาดลืมดูตัวเองไปเมืนะ่ลูกมาเอากำมาพังเราไปอยากให้มันฉลาดมากเลยนะไม่ดูตัวเองเนาะ ถ้าดูตัวเองก็โรงตกเหมือนกันบางทมันได้แค่นี้ก็บุญนักหนาลนะเนี่ยเรามีเงื่อนไขเยอะเลยลูกเราต้องเก่งต้องฉลาดจีเนียสหน้าตาต้องดีอะไรอย่างเงี้ยโงยสองกระจกแล้วรู้เลยว่าลูกเรามันก็ต้องหน้าตาอย่างเนี้ยนะมันมีเงื่อนไขเยอะแยะเลยนะต้องให้คนยอมรับนับถือตนะ้องอย่างโน้นต้องอย่าง น, น, องอางนี้ถึงจะมีความสุขได้หรือต้องรวยนะรวยมากๆอย่างงมีความสุขเี้ย มีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขเนี่ยคนมีชื่อเสียงไม่มีความสุขหรอกนะเสียอิสรภาพมีชื่อเสียงมากเสียอิสรภาพไปไหนก็ไม่ได้นะบางคนสละชีวิตเลยเพื่อช่วงชิงอิสรภาพจริงนะจริงมันหาความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนหลักการปฏิบัติให้เรานะเพื่อเราจะมีความสุขโดยไม่พึ่งพาอาศัยอะไรมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ด้วยตัวของตัวเอง ด้วยความรู้สึกตัวมีสติขึ้นมานะมีความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่านุกทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าเราจะต้องอยู่กับคนนี้ก็ไม่ทุกนะไม่ได้อยู่กับคนนี้ก็ไม่ทุกนะเพราะทุกอย่างมันชั่วคราวใช่บางทีเราอยู่กับคนที่เราพอใจนะอยู่ไปไหลายปีเข้าอยากให้มันพ้นๆไปอีกแล้วนะไม่อยากอยู่อีกแล้วไม่มีความสุขเนี่ยหาความสุขไปอย่างนั้นนะหาไม่ได้ ถ้าเรามีธรรมะนะเรามาภาวนาเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมารู้ทันนะวัตถุอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวถ้ารู้ได้อย่างนี้เมื่อไหร่ใจยอมรับได้อย่างนี้เมื่อไหร่เนี่ยความทุกข์ในชีวิตจะหายไปอย่างมหาศาลเลยลองดูนะลองดูมันไม่ยากเกินไปปีใหม่นะเราก็อวยพรกันไปอวยพรกันมานะเกาดีเหมือนกันให้กําลังใจปีใหม่บางทีก็ติดต่อกันเพื่อประกาศว่าฉันยังอยู่อะไรอย่างนี้นะยังอยู่ บางคนไม่ได้คําอวยพรก็เฉาบางคนเคยได้มีคนอวยพรพันคนเนะหลือแป0ร้อยคนก็เฉานะบางคนไม่เคยได้ใครเขาอวยพรไม่สนใจนะไม่มีมาสักใบหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าอยากให้ของกวนหลวงพ่อต้องภาวนานะแล้วเอาหน้าใสาๆมาให้หลวงพ่อดูแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะไม่ต้องเร า, อ ย, าอย่างอื่นหรอกเรานักปฏิบัตินะมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ไปพอดีพอดีไม่ริจิตเกินไป ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเกินไปมีชีวิตพอดีพอดีแลมีความสุขก็ค่อยฝึกไปเรื่อยใจยิ่งเข้าใกล้ธรร ม, มานะเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในใจเรานี่แหละมีความสุขอยู่ได้ทั้งวันความสุขอยู่ได้ทั้งคืนไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องง้ อ, อใครต้องลองนะไม่ลองไม่รู้หรอกเอาใครจะส่งกันบ้านมีไหมพวกอยู่วัดก่อนอพอให้ ให้ดูการเปลี่ยนแปลงของกายใจอะค่ะอเห็นไหมเห็นเห็นทั้งสุขทุกข์เนี่ยค่ะพ อ, อ, อะพร้อมก็หายไปแล้วก็เกิดใหม่เลยเออนะสิ่งทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกแล้วนี่แล้วจะทําไมจะให้สุขถาวรหรือ <c oughs> อยากได้ไหมความสุขอย่าหลอกนะอยากได้ไหม <c oughs> อยากทุกคนแหละอยากได้ความสุขแล้วต้งทําเหตุ ข, ของความสุขนะ ภาวนาไปยังมีความสุขต้องไงที่ทถูกถูกหรือยังถูกที่ทำถ้าไม่ทาไม่ทำไม่ถูกถูกมันถูกเป็นลําดับไปนะถูกเป็นขั้นขั้นไปอย่างทีแรกเนี่เรารู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเคลื่อนไหวนี่ก็ถูกแล้อแตามารู้สึกอยู่แค่นี้เลยปีหน้าก็รู้สึกอยู่แค่นี้ไม่ถูกแล้ต้องเห็นว่าร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์จิตใจก็เป็นไตรลักษณ์อย่างที่ถูกนะ นผิดถูกในการปฏิบัตินะมันเป็นขั้นๆ้นไปวันนี้อย่างนี้ถูกอีกวันหนึ่งไม่ถูกอีกละหนูไปดูตัวนี้ที่ใจของเรานะใจถ้าเราใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะมีเครื่องอยู่ที่สบายอันหนึ่งให้จิตอยู่อยู่กับพุโทโธสบายก็อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจแล้วสบายก็อยู่กับลมหายใจถ้าตรงนี้ยังไม่สบายก็เอาอย่างอื่นถ้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วสบายก็เอาอย่างนั้น หรือรู้ทันจิตใจจิตห น, ไรรตนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้อยู่ตรงนี้แล้วสบายก็ อ, อย่างนี้แหละพอจิตใจมีความสุขมีความสบายสมาธิมันจะเกิดได้สมาธิแล้วก็ค่อยๆหัดสังเกตว่ากายกับใจคนละอันความสุขความทุกข์กับร่างกายก็คนละอันความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอันกิเลสทั้งหลายนะกับร่างกายก็คนละอันกิเลสกับความสุขความทุกข์ก็เป็นคนละอันกัน กิเลสกับจิตใจก็เป็นโครนัลกันค่อยๆหัดดูหัดรู้ไปด้วยในที่สุดมันก็แยกขันออกเป็นส่วนๆนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆส่วนนี้เป็นรูปธรรมส่วนนี้เป็นความสุขทุกข์ส่วนนี้เป็นความจําส่วนนี้เป็นความคิดปรุงส่วนนี้เป็นความรับรู้พอแยกได้เป็นส่วนๆแล้วเราจะพบว่าตัวเราหายไปม่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วร่างกายทุกวันนี้ที่เป็นตัวเราเพราะจิตมันเข้าไปสําคัญมั่นหมายนะ ถ้าจิตมันแยกออกจากกายไม่เห็นใจไม่ใช่เราหรอกจิตมันแยกออกมาจากความสุขทุกข์ก็เห็นว่าสุขทุกข์ไม่ใช่เราหรอกจิตมันแยกออกจากกิเลสนะก็เห็นว่ากิเลสก็ไม่ใช่เราหรอกนะตัวจิตเองก็เกิดดับทางทวารทั้งหเดี๋ยวจิตก็ไปเกิดที่ตาเดี๋ยวก็ดับไปเกิดที่หูแล้วก็ดับไปเกิดที่ใจอย่างจิตนี้ไปคิดเดี๋ยวก็หายไปเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะนานไปปัญญามันเกดิดมันได้ความรู้รวบยอดขึ้นม า, ว, า, ว, นมาว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้น ถ้าใจเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเรากได้ภูมิธรรมของพระโสดาบันทุกวันนี้ใจเรายังไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นโดยเฉพาะเราเห็นว่าจิตของเราเที่ยงจิตจะเที่ยงรู้สึกว่าจิตของเราตอนนี้ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆก็เป็นคนเก่าถ้าเห็นอย่างนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันนะค่อยๆดูค่อยๆแยกขันไปเรื่อยใจตั้งมั่นเป็นคนดูเพรแยกขันได้แยกขันได้ก็เห็นความจริงของขัน เนความจริงของขันก็ได้ธรรมะ่ะต่อไปการอภิษกานครับหลวงพ่ อ, อ, อจิตยังปรุงยังปรุงออกมาอยู่เรื่อยๆครับมันก็รู้สึกว่ามันจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งครับธรรมชาติของจิตต้องปรุงแต่งแล้วจิตอย่างของเราเนี่ยธรรมชาติต้องออกนอกออกไปทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจออกไปกระทบอารมณนะ์นะกระทบแล้วก็มาปรุงต่อ ปรุงแล้วก็อยากกระทบอีกก็วิ่งออกไปกระทบอีกนะแล้วก็กลับมาปรุงอีกเดี๋ยวก็อยากอีกนะหมุนอยู่อย่างเนี้ยเราจะเฝ้าดูจนกระทั่งเห็นเลยมันทํางานของมันได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูอย่างนั้นไปเรื่อยวันหนึ่งก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชอบไหลาตามความเคยชินไปแล้วใช่พระพุทธเจ้าก็สอนในอภิธรรมมีนะธรรมชาติของจิตเนี่ยจะไหลไปตามความเคยชินนี่ถูกเป๊ะเลยแสดง ว, ว่าเห็นตรงแล้วเห็นถูกแล้ว จิตเคยชินที่จะหลงมันก็จะหลงนะจิตเคยชินที่จะรู้สึกมันก็รู้สึกธรรมชาติจิตของพวกเราที่ไม่ได้ฝึกฝนปฏิบัติเนี่ยเคยชินที่จะหลงเั้นหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงทั้งตื่นหลงทั้งหลับเลยนะในขณะที่เรามาหัดปฏิบัติเนี่ยค่อยรู้สึกตัวรู้สึกตัวต่อไปชินเหนความรู้สึกนะจะให้หลงมันยังไม่หลงเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อเป็นโยมอยู่ภาวนามันเห็นสภาวะที่ไหวยิบยบยิบยบอยู่กลางหน้าอกเนี่ยเห็นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งื่นนะ ไหวยิบแยบยิบแ อ, อยู่เนี่ยเหนื่อยมากเลยก็บอกกจิตว่าวันนี้เลิกปฏิบัติสักวันเถอดนะอย่าให้สติระลึกรู้ไว้นี่เลยไม่ได้หรอกไม่ยอมเลิกหรอกเพราะมันเคยชินที่จะรู้นะสติเคยชินจะเกิดมันจะเกิดห้ามมันไม่ได้อีกนะเพราะฉะนั้นจิตไหลไปตามความเคยชินเลยอย่าไปปล่อยให้ไหลไปตามความเคยชินฝ่ายชั่วก็แล้วกันนะสร้างความเคยชินทางดีขึ้นมางั้นเริ่มปฏิบัติทีแรกนะล้มลุกลกลานนะ ปฏิบัติไปนานจิตเคยชินอาการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้มาต่อไปง่ายอย่างคนไม่เคยถือศีลถือศีลยาก<ม>เคยรักษาศีลมาช่วงหนึ่งแล้วการรักษาศีลไม่เรื่องง่ายไม่เคยฝึกจิตใจให้สงบเลยมาฝึกเรื่อยๆนะต่อไปการฝึกจิตให้สงบเพื่อง่ายทําจิตสงบเพื่อง่ายไม่เคยแยกธาตุแยกขันนะหัดใหม่ๆโอ้แยกได้แวบเดียวแล้วก็รวมกนันเป็นก้อนหนึ่งแล้วหัดนานไปนะว่าแยกแยกจนชํานาญนี่มันแยกทั้งวันเลยแาวนี้ยอยู่ที่ความเคยชิน หลวงพ่อครับได้อย่างเวลานั่งภาวนาครับผมจะเห็นมันลงไว้ไว้ไว้ไว้ไว้ขึ้นมาเออเราเป็นแค่คนดูเราไม่ถล่มไปดูนะเพราะเวลาถล่มลงไปแล้วก็จะเข้าไปมันจะทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทันทีเลยจิตเข้าไปยึดที่อะไรจิตทุกข์ทุกทีเลยพอเราถอยออกมามันก็รู้สึกมันว่างๆนิ่งๆว่างๆนัแหละก็เป็นทุกข์ที่ประณีตขึ้นเป็นพบที่ประณีตขึ้นนะทุกข์อีกแต่ทุกข์ประณีตขึ้นสุดท้ายจะเห็นเลในสามโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ที่อย่างเท้าแล้วมีความสุข นั่นแหละถึงจะเข้าใจนะตอนนี้ยังรู้สึกไหมถ้าเข้าไปอยู่น้นทุกถ้ามีความอยากมีความยึดจะมีความทุกไม่อยากไม่ยึดรู้สึกตัวอยู่ไม่ทุกครับค่อยฝึกนะเป็นขั้นๆไปสุดท้ายก็เห็นเลยอยู่ที่ไหนทุกที่นั่นน่ะเพราะมันทุกโดยตัวของมันเองครับกลับนมัจ ก, การครับกลับน้มัจการค่ะอ๋อว่าไงว่าไงตอนนี้แน่นๆค่ะโอ้ สังเกตไหมจิตแน่นกับจิตเบาเนี่ยเดี๋ยวก็แน่นเดี๋ยวก็เบาเอาแน่ไม่ได้ดูออกไหมค่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูออกไหมค่ะไปคอยดูอยู่ที่ใจของเรานะใจมันแน่นขึ้นมาก็รู้ใจมันเบาไปก็รู้นะใจมันสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะเดี๋ยวก็ภาวนาเก่งเองแหละบางครั้งไม่ค่อยจะรู้ค่ะือไม่ค่อยจะรู้ค่ะก็ขยันรู้สิถ้าจิตมันเคยชินที่จะหลงนะมันก็หลงเก่ง ว่าเราพยายามรู้สึกบ่อยๆคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆต่อไปมันก็รู้ง่ายใหม่ๆก็ยากทุกคนเลยโยมชอบคิดนำค่ะโอ้อย่าไปคิดนำนำ้าฟุงสัน้นเราดูของจริงอย่างใจเราหนักเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแม้มันหนักจริงๆค่ะหนักสังเกตไหมว่าตอนนี้หนักไม่เท่ากับตะกี้แล้วรู้สึกไหมค่ะเออเห็นไหมมันมีเที่ยงเมื่อกี้หนักตอนนี้เริ่มเบาแล้วเนี่ยดูอย่างนี้แหละดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปบังคับเขา ฝึกนะอย่างนี้เรื่อยๆไ ป, ไปเดี๋ยวก็เก่งเองแหละคุณค่ะกราบนำ้ำพสการหลวงพ่อค่ะโยมก็ปฏิบัติโดยการพุทธโธเดิ น, นจงกรมแล้วก็ขยับมือค่ะก็ปฏิบัติมาหลายปีหลายเดือนก่อนก็ม า, มากราบเรียนหลวงพ่อว่าก็เห็นได้ในบางครั้งว่าทุกข์ไม่ใช่เราหลวงพ่อก็บอกว่าให้ไปพุทธโธต่อตอนนี้ก็ เ, เห็นทุกข์บ่อยขึ้นแล้วก็คือ จิตมันก็ทุกตลอดเวลามีทุกมากทุกน้อยทุกกลางๆลางค่ะแล้วก็ปรุ ง, ง<ท>รอยู่<ป>ตลอดเวลานะคะพุโทโธไปแล้วเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนนะถ้าเราทิ้งพุโทโธไปเลยแลทีใจฟุ้งซ่านมันไม่เห็นเรพุโทโธยืนพื้นไปแล้วก็รู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะครูบาอใจก็สอนมาอย่างนี้แหละสอนพุโทโธพุโทโธก็คืออะไรพุโทโธก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อะไรคือพุโทโธจิตเราแหละคือพุโทโธเพราะงั้นพุโทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยนะจิตทุกมากจิตทุกน้อยจิตทุกทุกมันหายไปอะไรเงี้ยเข้าดูไปจะเห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้ดูออกไหมค่ะบางครั้งก็ทุกบ่อยทุกมากแล้วทุกมันก็ครอบงําจิตก็จะรู้สึกออแน่นๆตรงนี้ทุกครอ บ, รอบงำเนี่ยไม่ดีนะอย่ายอมมันใจแข็งๆไว้ดูมันดูคนอื่นอย่าไปปล่อยให้มันครอบ ต้องสู้อนี้ก็ขยับตัวนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ารู้สึกว่ามันครอบงำให้ให้รู้ทันว่าใจไม่ชอบมันะรู้ทันใจของเราว่าใจเกลียดมันแล้วก็ลืมลืมมันไปแล้วกระดุกกระดิกไปเดี๋ยวก็หายค่ะกระดุกกระดิกไปบางทีคือบางครั้งมันทุกข์มากก็ต้องคือมันไม่ดีแต่ว่าบางทีก็ต้องไปฟังเพลงเลยค่ะแล้วมันหลุดออกมาแล้วก็กลับมาดูไม่เป็นไรฟังเตือไม่ผิดศีลห้ามันผิดศีล8ดไม่ผิดศีลห้าไม่เป็นไรก็ ไปดูต่อเหมือนเดิมนะคะพุทโทแล้วก็เดินใช่ใช่หนูอย่าทิ้งพุทธโทนะถ้าหนูทิ้งพุทโธจิตหนูจะฟุ้งซ่านเกินไปค่ะนะตอนนี้จิตสมาธิมันเพิ่มขึ้นรู้สึกไหมล่ะค่ะนะสมาธิเราดีขึ้นแล้วเราไม่ทิ้งพุทธโทหรอกแล้วเราก็จะได้รู้ทันจิตใจของเรามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะเห็นความจริงของมันมากขึ้นมากขึ้นเห็นความจริงแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ปล่อยเมื่อนั้นแหละนวัตการค่ะหลวงพ่อหนูว่าหนูติดอ ซึมแล้วก็มัวมาเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วส่วนมลไม่หายใจไว้นะมัวมัวซึมๆมเนี่ยต้องชูวด้วยอานาปนาสติหายใจไปด้วยความรู้สึกสดชื่นหายใจด้วยความรู้สึกที่สดชื่นไว้หายใจยาวๆหายใจแบบผ่อนคลายนะแต่ยาวๆหายใจลึกๆเหมือนกับเราหายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังเนะนี่ยค่อยๆหายใจ มันได้ลมหายใจรูปไปตามกระดูกสันหลังเลยนะไป<ะ>ถึงก้นกบเลยเดี๋ยวก็หายมันเป็นมาหลายปีแล้วนะคะออนั่นแหละต้องสู้ด้วยอานาปนาสติสู้ด้วยลมหายใจนะแล้วเครื่องอยู่นี่ควรจะ<ก>เป็นใช้ลมหายใจไงหายใจยาวๆหายใจด้วยความรู้สึกตัวไปเดี๋ยวโมหะก็จะลดลงขอบคุณค่ะถ้าไม่มีเครื่องอยู่นะโมหะก็ไม่หายถ้าโมหะเยอะไปใช้เครื่องอยู่อย่าง คิดพิจารณาอะไรนี้ยิ่งฟุ้งตายเลยะเนะเพราะงั้นโมหะมากๆก็ใช้ลมหายใจอ่ะกาบหลวงพ่อเจ้าค่ะ ม, ม, มีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะตอนที่หนูนั่งสมาธิอะคะ่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าทั้งมือทั้งแขนเนี่ยค่ะมันหายไปแล้วก็ต่อมาก็มีความรู้สึกเจ็บแปบลบแบบแบบขึ้นมาที่แขนนะคะแล้วก็ในขณะที่กำลังดูความเจ็บอยู่เนี่ยความปวดอยู่เนี่ยค่ะ ก็ฉุกใจคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊แขนไม่มีแล้วมันเจ็บได้ไงคอความเจ็บมันมาอยู่ในแขนได้ไงก็เลยเกิดความสงสัยว่าสรุปว่าแขนมีหรือแขนไม่มีแขนมีแขนไม่มีไม่สำคัญหรอกถ้าจิตไม่เข้าไปจับอยู่มันก็ไม่มีแต่แขนกับเวทนานั้นควรละอันกันงั้นแขนไม่มีในเวทนายังมีอยู่นะที่จริงก็คือจิตมันไม่เข้าไปจับแขนน้แขนยังไม่ปรากฏแขนยังไม่ได้หายไปไหนหรอก ก็ยังมีความรู้สึกได้อยู่แต่ความรู้สึกมันรุนแรงนะมันกระตุ้นให้สติเข้าไปจับไประลึกรู้ได้ก็เหมือนมีความเจ็บปรากฏขึ้นมาถ้าจิตเคลื่อนออกจากตัว น, ะนั้นนิดเดียวก็มีแขนขึ้นมาลนะแล้วคราวนี้พอหลังจากนั้ น, น, นก็ที่หายไปนี่เป็นผลของสมาธินะถ้าจิตมีสมาธิร่างกายก็หายไปถ้าสมาธิมากมเนี่ยหายไปหมดทั้งตัวเลยโลกทั้งโลกก็หายไปหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียว แล้วเหมือนกับว่าแล้วพอหลังๆเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าจิตหนูจะไปจ้องคอยไปจ้องเวลานั่งสมาธิก็จะถล่ำลงไปจ้องหรือว่าจะมีสภาวะอะไรบ้างเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าถล่ำนะถ้ารู้ทันว่าถล่ำหนูไม่มีปัญหาแล้วล่ะแต่มันก็ฮแต่ว่าพอรู้ทันว่าถลำมมันยิ่งถลำใหญ่เลยค่ะมันไม่ฟังอะค่ะไม่ฟังเหรอให้รู้ทันว่ามันห้ามไม่ได้นะถ้ามันถลมไม่เลิกนะก็เลิกมันไปเลยรู้สึกตัวใหม่นะ กลับมารู้สึกตัวใหม่ลืมเรื่องนั่งสมาธิไปหายใจเอาใหม่รู้สึกเอาใหม่แล้วอย่างงี้หนูควรจะลดการนั่งสมาธิลงบ้างไหมคะไม่ลดหรอกแต่เพิ่มสติขึ้น<ม> เ, พเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นหายใจก็ไม่ให้ขาดสตินะนั่งสมาธิไปก็ไม่ให้ลืมตัวหมือวามว่าเพิ่มสติเวลานั่งสมาธิก็ให้รู้ตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกใช่ใช่ช่นะไม่้นสมาธิมันล้ำไป เดี๋โ น, น้นแหว่งไปเดี๋ยวนี้แหว่งไปเดี๋ยวเห็นโน้นเห็นนี่ยุ่งกันใหญ่ เ, เพิ่มสติขึ้นหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยให้ลดสมาธิลงนะให้อะไรบอกบางคนปัญญาร่ำหน้ามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกปัญญาล่ำหน้าให้ลดปัญญาไม่ใช่ต้องเพิ่มตัวอื่นขึ้นม า, เ, าเพิ่มสติขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ว่ามีของดีแล้วไปลดนะอย่างหนูทําสมาธิได้ก็ดีแล้วแต่สมาธิของหนูเนี่ยสติมันไม่พอก็เพิ่มสติขึ้น ไปก็สติก็เยอะสมาธิก็เยอะก็ยิ่งดีใหญ่แล้วเวลาเพิ่มสตินี่คือในชีวิตประจำวันใช่คอยรู้สึกไหมรู้สึกที่ลมหายใจเหรอคะฮะรู้สึกที่ลมหายใจก็ได้นะแต่รู้สึกเป็นแค่แบ็กกราวน์นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราได้ยๆไปเวลาไม่มีธุระอะไรจะรู้อะไรนะก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจมาอยู่ที่ลมหายใจก็ไม่ได้บังคับให้จิตนิง่ง มันอยู่ที่ลมหายใจนะลมหายใจเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นเองตัวที่เรารู้เป็นหลักก็คือจิตของเราเองหายใจเล่นๆไปพอจิตหนีไปแล้วก็รู้หายใจไปจิตหนีแล้วก็รู้นะฝึกอย่างนั้นนะครั บ, ก, ราบาการนม<อ>ัสการค่ะหลวงพ่อเต้นเต้นไหมเต่นเต้นมากหรือทำไงดีก็พยายามรู้ลมอยู่แต่ว่า <laughs> รู้ลมเพื่อจะให้หายตื่นเต้นหรอค่ะก็ไม่เอาสิรู้ลมแล้วก็รู้ทันว่าจิตกําลังตื่นเต้นอยู่ ใช่ค่ะแต่ก็บังคับไม่ได้ไม่ได้ไม่บังคับนะบังคับคแล้วเครียดค่ะก็เพิ่งปฏิบัติมาได้ประมาณ 4- ีหเดือนนะคะที่ส่งกันบ้านครั้งแรกแล้วก็คือช่วงหลังที่นั่งสมาธิค่ะก็จะก็จะรู้สึกว่าตั ว, ต, วตัวหายไปพอนั่งไปสักพักก็จะเห็นแสงรสว่างก็จะ ร, รู้ว่ามีแสงอยู่<อ>แล้วพอนั่งไปสักพักพอนั่งนานก็จะรู้สึกปวด ปวดแต่ก็ก็ไม่มีตัวอยู่แต่ก็รู้สึกว่าปวดเออคล้ายๆคนตะกี้เลยไม่มีแขนแต่เจ็บแขนใช่แต่ว่าไม่ได้สงสัยเหมือนพี่เขาค่ะก็รู้ว่ารู้ว่าปวดก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะพักก็เราก็กลับมารู้ลมหายใจต่อค่ะเสร็จแล้วก็คอยรู้ทันใจไว้นะคือทั้งหมดเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยสุดท้ายมันต้อเข้ามาที่จิตใจของเราเพราะกิเลสเกิดที่จิตนะกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิต งั้นเรารู้ลมหายใจรู้อะไรก็ตามะเราไม่ทิ้งจิตออกคอยรู้ทันจิตไปอย่าตอนนี้ยจิตไปคิดทราบไหมทราบค่ะอยนะี้จิตไปคิดเราก็รู้นะหายใจเล่นๆไปจิตไปทําอะไรเราก็รู้เอาถึงจะนั่งสมาธิโลกธาตุดับก็ไม่ขาดสตินะจิตขยับเพยื่ออะไรรู้หมดเลยจิตนี้ไปคิดอีกหรือ ย, ยังคิดค่ะโอ้คิดเก่งนะ <laughs> ให้คอยรู้ทันไหมค่ะทีนี้อยากจะได้คําแนะนำจากหลวพ่อว่าอย่างนี้ ควรจะดูอย่างนี้ต่อไปได้เลยหรือว่าควร<ะ>ทำอย่างนี้แหละก็คือ ด, ดูไปอย่างนี้แหละสังเกตรหรือเปล่าว่ามันเกิดพัฒนาการขึ้นแล้วสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยฝึก4เดือนห้าเดือนแล้วเห็นกายกับใจแยกแล้วไม่ธรรมดานะแต่ก่อนก็ฝึกกัน20ปีเนะนี่ยเนี่ยหลวงพ่อมาแอพลายใหม่เปลี่ยนวิธีสอนใหม่ก็เร็ว เห็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันกันก็บางทีก็เห็นบางทีก็เออธรรมดานะค่ะเห็นไหมกิเลสกับจิตเป็นคนละอันกันก็บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นใช่แต่ว่าแต่อย่างที่เราคืออย่างเวลาปวดอย่างไงค่ะก็จะไม่จะไม่ปรุงต่อก็จะรู้แค่ว่าปวดใช่ค่ะนี่แหละเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆนะใจไม่ทุรนทุรายนะเพราะมันรู้แล้วก็จบลงไม่ปรุงต่อค่ะ เรจะเห็นเลยความปวดกับร่างกายยังคนละอันเลยร่างกายไม่ได้ปวดหรอกความปวดไปแอบอยู่ในร่างกายค่ะเนะพราะเราว่าเดี๋ยวปวดแล้วเดี๋ยวก็หายค่ะใชในคิดหนำอย่างนี้ไป ค, คิดนนำนะค่ะไปฝึกอีกให้ให้รู้สึกตัวให้เข้มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มสตินั่นแหละลรู้สึกตัวให้มันเข้มขึ้นนิดนิดเดียวนะมากไปจะตึงนะแน่น กลับน้ำมันสการหลวงพ่อค่ะมาขอกันบ้านค่ะหลวงพ่อเยังไม่เคยมาเหลอคือว่าไม่ได้มาส่งกันบ้านนานแต่จนวันถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกมันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนกันที่รู้สึกตัวเห็นไกลยกับใจเป็นโคล่านไหมหนูยังแยกธาตุแอาขันไม่เป็นเลยไม่รู้มงนะบางทีมันก็แยกแต่มันไม่รู้มั้งเห็นไหมว่ากิเลสกระใจเราเป็นโคล่านกันใจเราเป็นคนดูทําได้ไหม ่ เ, เวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยเห็นเลยความโกรธกระจายเป็นคนละอันอันนี้ทำได้ไห ม, ไมลองเห็นไหมรอบร่างกายกำลังพูดเห็นปากขยับไหมเนี่ยเห็นไห<ล>มปากกาลังขยับเห็นร่างกายมันขยับไปไหมใจเราไปคนดนะูของหนูเนี่ยตอนนี้ต้องหัดแยกขันให้ชำนาญ น, นะนะต่อไปนี้พอร่างกายกระดุกกระดิกเนี่ยเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่น ไม่ลืมมนันเห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกไปเหมือนเราเห็นคนอื่นกระดุกกระดิกเนี่ยเห็นไหมร่างกายพยักหน้าค่อยรู้สึกอย่างนี้ยมันยังรู้สึกว่ามันรวมกั น, นใช่ต้องฝึกนะต้องฝึกค่อยๆดูไปร่างกายกับใจเป็นโคลาร์ค่อยๆดูไปถ้าสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์มีอู่ใบให้เรานั่งสมาธิจนร่างกายหายไปพอร่างกายหายไปแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียว พอจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้สึกทราบซึ้งถึงอกถึงใจเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเพราเมื่อกี้ร่างกายหายไปแล้วแต่จิตเที่ยังอยู่ตหาหักนะนั่นเป็นอุบายของครูบาอาจารย์นี่พวกเรารุ่นหลังเนี่ยเราทําสมาธิจนถึงขนาดโลกดับร่างกายหายอะไรนี้ทำไม่ค่อยได้เราก็อาศัยช่วยค่อยๆสังเกตไปนะเอามือไปจับผมซิรูปเลย ผมมันบอกไหมว่ามันเป็นเราเนี่ยดูไปทีละส่วนนะสัมผัสไปทีละส่วนทีละส่วนผมไล่ตามตัวเนี่ยดูซิมือเนี่ยมันบอกไหมว่ามันเป็นเราะเนี่ยไล่ๆไปเรื่อยๆนะลองไปทําดูกานคิดนําหรือเปล่าคะของใช่เริองต้นคิดนําก่อนนะแล้วล<ง>สุดท้ายมันจะแยกออกอย่างออของหนูนี่สมาธิน้อยไปหรือเปล่าคะใช่ แต่ปัญหาสมาธิน้อยเป็นปัญหาร่วมกันของฆราวาสเกือบทั้งหมดนะฆราวาสสมาธิน้อยแต่ปัญญาเยอะนะเราก็ช่วยมันหน่อยช่วยค่อยๆหัดแยกมันไปอย่างเรานั่งอยู่นะก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูพอนั่งไปนานปวดเมื่อยขึ้นมาก็เห็นเลยความปวดเมื่อยกับจิตใจก็โคด้านกันต่อไปก็เห็นความปวดเมื่อยกับร่างกายก็โคด้านกันนะแตอย่างเวลาเห็นความโกรธ คือถึงเห็นแต่ว่าความโกรธมันไม่ดับหรอเอย่าอยากให้ดับสิเราไม่ได้เห็นเพื่อจะแทกแซงนะเราเห็นอย่างที่มันกำลังเป็นอยู่มันโกรธอยู่รู้ว่าโกรธอยู่ถ้าเห็นอย่างเป็นกลางอย่างแท้จริงมีสมาธิในการเห็นอย่างเป็นกลางแท้จริงนะมันจะดับอัตโนมัติเลยเห็นไหมร่างกายพยักหน้ า, าเห็นไหมจิตขนาดนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้กพยักหน้านะ แตน่นจิตก็สว่างขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยค่อยๆหัดไปนะสงสัยทราบไหมสงสัยมากเออสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เนี่ยรู้อย่างเนี้ยรู้ทันความรู้สึกไปอย่างนี้จะถือว่ารู้สึกตัวขึ้นมาได้หรือยังก็ได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะ <c oughs> อย่างถ้าเรารู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เนี่ยก็ใช้ได้ต่อไปก็จะเห็นเลยความสงสัยกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนดูความสงสัยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา แล้วมาแล้วก็หายไปค่อยๆฝึกนะค่อยๆแยกขันไปเรื่อยแยกกายกระจายออกจากกันแยกความรู้สึกต่างๆกับจิตใจออกจากกันเกนะ็กลับมาสักการหลวงพ่อคะ่ะคือเพิ่งพบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อสามสี่เดือนก่อนที่ที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลอะไรเหร อ, อสมเด็จเจ้าพยาค่ะค่ะแล้วก็อ พึ่งพึ่งแบบได้ปฏิบัติมากขึ้นประมาณสามสี่เดือนนะค ะ, ะแสดงว่าที่หลวงพ่อปิติเทศนี่ได้ผลเนะอย่างน้อยก็มีคนปฏิบัติหนึ่งคนแล้วล่ะค่ะก็ก็คือช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอะค่ะหลวงพ่อคือมันก็จะมีช่วงที่เหมือนเราดูได้ไวๆเห็นความคิดมันเคลื่อนไปอะค่ะแล้วก็ก็มีมีหยุดรู้สึกชัดๆครั้งเดียวอะค่ะ แล้วก็ส่วนที่มันเสื่อมไปมันก็จะแบบเหมือนฟุงซ่านแล้วก็มีเรื่องเข้ามาอย่เงี้ยค่ะค่ะก็คือเหมือนมันไม่ไม่ค่อยเป็นกลางอะค่ะตอนที่มีเรื่องเข้ามาโอ้ภานาสามสี่เดือนรู้ถึงว่าไม่เป็นกลางเก่งนะให้หันดูต่อไปละดูอย่างเนี้ถูกแล้วละเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ไปหมดเลยรู้สึกไหม ความสุขมาแล้วความสุขก็หายไปความทุกมาแล้วความทุกก็ไปนะบางบางเรื่องก็ยังไม่ค่อยรู้สึกไม่เป็นไรหันดูไปเรื่อยเรดูบ่อยบ่อยแต่ใจมันก็รู้ความจริงขึ้นมาถ้าเราใจเรายอมรับได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราโชคราวเนี่ยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยนะเล้ก็จะขอคำแนะนำหลวงพ่อสองเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเวลาที่ถ้าเกิดมีเรื่องที่มากระทบใจแบบแรงๆอะค่ะ แล้วล เ, เ, เราแบบไม่เป็นกลางมากๆเนี่ยค่ะคือคือน่าจะมีแบบวิธีอะไรหรือว่าทำสมาธิอะไรที่เหมาะะคะมีเรื่องมากระทบใจนะสอนมันไปเลยว่าใจเย็นๆไว้ก่อนอย่าให้ปัญหาเนี่ยกลายมาเป็นความทุกข์ในใจของเราได้สอนมันไปค่อยๆปลอบมันสอนมันไปแล้วก็ปัญหาเนี่ยเอาไว้แก้นะปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอันกัน ปัญหาก็อยู่ส่วนปัญหาแต่ถ้าเมื่อไรใจไม่อยากให้มีปัญหานะใจจะทุกข์ทันทีเลยนะงั้นเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะใจไม่ชอบนะรู้ทันว่าใจไม่ชอบกันให้ใจเป็นกลางแล้วก็ไปแก้ปัญหาเอานะอันนี้เป็นการฝึกกรรมฐานเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่กับโลกนะพวกฝรั่งมันไปเข้าคอร์สเรียนกันนะเสียตังค์มากๆเลยพวกคอร์สของพวกเซนมองอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะเอามาใช้ในชีวิตจริง ของเราก็ามาทาได้ของเราธรรมะเรามีเยอะแยะอยู่แล้วเวลาใจมันกังวลขึ้นมามีปัญหาเกิดขึ้นใจมันกังวลขึ้นมารู้ทันใจที่กังวลกันลืมปัญหาไปก่อนดูที่ใจกันพอความกังวลหายไปแนละ้วใจก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาสติปัญญาทำงานได้เต็มที่นะไปคิดแก้ปัญหาเอาถ้าปัญหายังอยู่เดี๋ยวใจก็กังวลใหม่อีกะจะไปนั่งสมาธิให้หายไม่หายหรอกคนละเรื่องกัน ต้องไปแก้ปัญหาจะมานั่งสมาธิปัญหาไม่หายนะกเ็เรื่องสุดท้ายคะ่ะหลวงพ่อคือกำลังจะต้องติดต่อไปต่างประเทศอะค่ะช่วงปีหน้าก็คือคิดว่าน่าจะแบบมีอารมณ์มากระทบหลากหลายอะค่ะก็คืออยากได้คำแนะนำเรมีสติรักษาใจของเราเร่ไปนะอย่างบางคนไปเมืองนอกนั่งเงาอะไรต่ออะไรมีปัญหาเยอะเลยอาหารการกินเลยเพี้ยนไปหมด อ, มอะ คนนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านฝรั่งมันต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยนะอนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันเราต้องปรับตัวเยอะนะถ้าเรามีสติ ร, รู้รู้ทันใจของเราไปนะขอบคุณค่ะบอกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนละี้ยงเมเนะพวกเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรารู้เรื่องคนอื่นเยอะกว่าเรื่องของเราอยู่บางคน เราอยู่อย่างนี้นะเรามีเพื่อนมีอะไรอย่างเยอะแยะนะเออน ม, มื่อกี้ก็ลาําคาญแต่พอไปอยู่ในสังคมซึ่งมันตัวคนเดียวจริงๆแล้วรู้สึกโอ้โหอยู่ในสังคมไทยแล้วมันมีความสุขเยอยะเลยอว่ามาน้ำมสการค่ะพระอาจารย์ว่าไงคือดิฉัน อ, อไม่ทราบจะเริ่มยังไงดี<ร>คือเป็นคนเข้าใจว่าเป็นคนฟุ้งซ่านมากมนะคะ ฟุ้งก็ไม่เป็นไรก็เลยใช้วิธีจะไปนั่งสมาธิอะไรก็ไม่ได้ก็เลยใช้สวดมนต์ชาวเย็นได้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะฮแต่จิตก็ยังไม่ถึงฐานนะฮะครั้งนี้ดิฉันก็เลยมาว่าเอ้ที่ฉันควรจะดูจิตหรือควรจะดูกายดีเพราะว่ารู้สึกว่าฟุงซ่านนี้่คงจะคิดคิดไม่หยุดคิดตลอดเวลาอะไรถ้าฟุงมากดูจิตไม่รู้เรื่องนะก็มาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ นะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเนี้ยหาแล้วสือธรรมมาอ่านนะที่สนุกสนุกอะ่ะประวัติพระพุทธเจ้าประวัติระสาวกอะไรเนี่ยนะอ่านแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานถ้ได้ความสุขความสงบขึ้นมาเป็นคราวคราวแต่มันคนมันไม่ใช่ <c oughs> ฟุ้งสราั้นอย่างเดียวเหมันแถมลําคาญใจด้วยทําไมรู้สึกเหมือนกับไม่จริงอะไรทํานเนี้ยอาจารย์อะไรไม่จริงล่ะแบบ เวลาเราเราเราไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเรารูออ้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าแต่เรามีความรู้สึกทําไมจิตเรามันเหมือนกับไม่ไม่ไม่ไม่ทราบซึ้งหรื อ, อยังไงย่ทรามันไม่ทราบซึ้งพระพุทธเจ้าน่ะจริงแต่เราไม่จริงพระพุทธเจ้าน่ะจริงจริงนะเป็นสัต์จระเลยส่วนของเราเนี่ยของปลอมร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา เรายืมวัตถุาธาตุของโลกมาใช้นะเราก็คิดว่าของจริงของเราไม่ใช่ของเราหรอกนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายรู้สึกจริงจังเหลือเกินนะจริงจังมากเวลามีเรื่องอะไรมากระทบนะชอบมากเกลียดมากอะไรเงี้ยจริ ง, จ ร, งจริงก็คือเรื่องไม่จริงทั้งหมดเลยนะของชั่วครั้งช่วคราวเราก็หายไปงั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าตัวเราอะไรไม่จริงนะพระพุทธเจ้าอะไรของจริงถ้าเรายังแปรปลวนอยู่ ลองช่วยมันคิดพิจารณาลงไปนะว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนภาพลวงตาไปดูมุมนี้เลยนะว่าทุกอย่างทั้งร่างกายทั้งจิตใจของเราเนี่ยเหมือนภาพดวงตาเท่านั้นเองรู้จักภาพลวงตาไหมทราบค่ะเหมือนฝันเหมือนภาพลวงตาไปดูตัวนี้บ่อยๆนะแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นอ่าหมดแล้วนะหมดแล้วเชิญ